สิกขาบทที่ 4. ภิพิุนียืนเคียงคู่กันสองต่อสองกับชายในถนนหรือตรอกตันหรือทางสามแพร่งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. ยืนอยู่ในช่วงแขนชายต้องอาบัตปาจิตตี 2. ยืนพ้นระยะช่วงแขนต้องอาบัตทุกกด